50 languages. ได้รับอนุญาตได้ k i s ได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือ คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือแก่ตัเมื่อแสรนีกีอิจ๊ะัตคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือแก่ตัเมอเเคเลดูสเรมุลกเมจานกีอิจ๊ะัตอนุญาตได้อิขี่ยาร์ฮูนาอิัต เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะ क्या हमें य ह ाห स ि ग ที่นี่ได้ไหมคะแก่รงี่นี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะ क्या य ह สูบบุ र े ट पीने की इजाजत है จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะ क्याक्रेडिट क ा र ्ท क, क, क, क ่ ज र ่ได้ไหมคะแก่เราสูบบ่ายเช็คได้ไหมคะ จคซดกก่จ้าสหจ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะเซฟนักอดกกีจ้าสทขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะจมาทีไลฟูนก็ศึกษ่ขอถามอะไรได้ไหมคะจมาพูดศึขอพูดอะไรได้ไหมคะ क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? ख़ैनान ने स วน शारणा नहीं दाई। उसे पार्क में सोने की इ ज ा ज त नहीं है। ख़ैनान ने र ो नहीं दाई। उसे गाड़ी में सोने की इजाज़त नहीं है। ख़ैनान ने स्थानी र ो फ़े नहीं दाई। उसे स्टेशन में सोने की इजाज़त नहीं है। เราขอนั่งได้ไหมคะค่ะเราขอยากรายกาเราขอรายการอาหารได้ไหมคะ क्या हमें म า न ร मिल सकता है เราขอแยกจ่ายได้ไหมคะ क्या हम अलग-अलग अ ยการอาหารไดไห